ที่ชื่อว่าภิกษุณีได้แก่มาตุคามที่อุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายที่ชื่อว่าจีวรได้แก่จีวรหชนิดอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีขนาดพอที่จะทําวิกัพได้เป็นอย่างต่ําคําว่าเย็บคือภิกษุเย็บให้เองต้องอบัติปาจิตตีทุกๆรอยเข็มคําว่าใช้ให้เย็บคือภิกษุใช้ให้ผู้อื่นเย็บให้ต้องอบัติปาจิตตีผู้รับคําสั่งครั้งเดียวแต่เย็บมากครั้งภิกษุผู้สั่งต้องอบัติปาจิตตี